หนอนุสยวานปฏิโรมบุคคลเอกะมูลกนัย36อนุโรมปุจ <eeee> ช้าการมราคาอนุัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคาอนุัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุจช้าปฏิคาอนุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องกามาราคาอนุัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหม วิจ i mean e i mean ัติชนาใช่อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนากามราคาอนุัยของอนาคามีบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานอนุใสไม่ใช่ไม่นอนเนื่องกามราคาอนุสัยของอรหันตบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่อง ปฏิรมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องกามาราคานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโรมปุจฉากามราคาณุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุจฉา วิจิตรฉานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาวิจิตรฉานุสัยของบุคคลสองจำพวกไม่ใช่นอนเนื่องแต่กามราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลอีกสองจำพวกไม่ใช่นอนเนื่องและกามราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุรมปุจฉา การมาราคานุสัยของบุคคลใดไม่ใช yes. ่นอนเนื hmm. ่องเพราะว่าราคาหนุส no ัยและอวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิเจิชนากามราคานุสัยของอนาคามีบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องแต่อวิชานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องกามราคานุสัยของอรหันต์แบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุษัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโดมปุชชา อวิชานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องการมาราคานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่37อนุโลมปุจฉาปฏิการนุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาปฏิการนุสัยของอนาคามีบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่อง ปฏิการนุสัยของอรหันตบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิรมปุชฌามานานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องปฏิการนุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุรมปุชฌาปฏิการนุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหม วิจ <unlucky. S 2> ัชนาใช่ปฏิรมปุชชาวิจิเกชานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาวิจิเกชานุสัยของบุคคลสองจำพวกไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องวิจิเกชานุสัยของบุคคลสองจำพวกไม่ใช่นอนเนื่องและปฏิคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุรมปุชชา ปฏิกานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยและอวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาะปฏิกานุสัยของอนาคามีบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องแต่อวิชานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องปฏิกานุสัยของอรหันตบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโลมปุจชา อวิชชานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องปฏิการอนุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัติชนาใช่สาสิบอนุโลมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุสัยละวิจิกิจานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัติชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาวิจิกิจานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่อง มานานุสัยของบุคะคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนาวิจิกริชานุสัยของบุคคลสามจำพวกไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องวิจิกริชานุสัยของอรหันตบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุโลมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องเพราะว่าราคาานุสัยละ อวิชชาหนุสัยของบุคคลนั aint, fault, inside, ้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิรมปุชชาอวิชชาหนุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่39อนุรมปุชชาทิฏฐานใสของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิชานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่ ปฏิรมปุจฉาวิจิกิจานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุลมปุจฉาทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยและอวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนา วิจิตรฉานุสัยของบุคคลสามจำพวกไม่ใช่นอนเนื่องแต่วิชานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของอรหันตบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องและอวิจานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโลมปุชชาอวิจานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่สี่สิบ อนุโลมปุจฉาเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิชานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องเพราะวราคานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนาใช่เอกามูลกัยในจบทุกกมูลกัย์ในสี่สออนุโลมปุจฉา กามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นก็มิใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนากามราคานุสัยและปฏิคานุสัยของอนาคามีบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยของอรหันตบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโลมปุชชา ม า, น, านุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชญาใช่อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจตัชญาใช่ ปฏิลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลสองจำพวกไม่ใช่นอนเนื่องแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุใสไม่ใช่ไม่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลอีกสองจำพวกไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่อง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 การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยของอรหันตบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโรมปุชชาอวิชานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ทุกกะมูลกระไนจบติกะมูลกระไน สี่สอนุโลมปุจฉากามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุสัยละวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหม วิจัชนะวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลสองจำพวกไม่ใช่นอนเนื่องแต่การมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุใสไม่ใช่ไม่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุใสการมราคานุัยและปฏิคานุสัยของอนาคามีบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุใสไม่ใช่ไม่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของอรหันตต่บุคคลไม่ใช่นอนเนื่อง กามราคานุสัยปฏิคานุาัใสละมานานุสใสก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุโลมปุจฉากามราคานุสใสปฏิคานุาัใสละมานานุสใสของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องภาวะราคานุสใสและอวิชชานุสใสของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโดมปุจฉาอาวิชชานุสใสของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่อง กามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่ติกะมูลกันนายจบจตุกะมูลกันนายสีอนุโลมปุจฉากามราคานุสัยปฏิคานุสัยคานานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้น ก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจชาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุใสปฏิคานุัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้ น, น, น, น, <uya> น, น, นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาวิจิกิจฉานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลสองจำพวกไม่ใช่นอนเนื่อง แต่กามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสใสมีใช่ไม่นอนเนื่องวิจิกริานุัยกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและทิฏฐานุสัยของอนาคามีบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุใสไม่ใช่ไม่นอนเนื่องวิจิกริชนุสัยของอรหันตบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุ t ัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัย ก็ไม่ใช่นอนเนื่องและจตุกะมูลกนัยจบปัญจกะมูลกนัย 44. อนุโลมปุชฌาการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยและอวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหม วิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉัลอวิชานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยได้วิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัญจกมูลกไนจบฉักกะมูลกไนายัานาย45ห้า อนุลมปุจฉากามราคานุัยปฏิคานุัสมานานุสัยทิธานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุตฉาอวิชานุัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุัยปฏิคาุสัยมานานุัย ทิฏฐานุสัยวิจิกิจฐานุสัยได้ภาะวะราคานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่ฉกาะมูลกนยัยจบปฏิโดมโอกาสเอกมูลกนยัยสีอนุโดมปุจฉากามราคานุสัยในที่ใดไม่ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิการนุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหม วิจัรนากามราคานุสัยในที่น <stages> ี้คือในทุกขเวทนาไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยมิใช่ไม่นอนเนื่องกามราคานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับเรื่องในวัตทุกข์ไม่ใช่นอนเนื่องและปฏิคาอนุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิรมปุจฉาปฏิคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่อง การมราคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาะปฏิการอนุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกามาธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่การมาราคาอนุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องปฏิการอนุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุอารูปธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกข์ไม่ใช่นอนเนื่องและการมาราคาอนุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่อง อนุโลมปุจฉาการมาราคานุสัสยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องมานานุษยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนากามราคานุสไยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุษยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องกามราคานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนาและในตภาวธรรมที <S 2> <S 2> <S> <S ่ไม่นับเนื่องในวัตทุไม่ใช่นอนเนื่อง และมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโดมปุชชามานานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุโลมปุชชากามราคาานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนากามราคาานุสัยในที่นี้คือ ในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องการมราคานุสัยในที่นี้คือในตภาปธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ไม่ใช่นอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโรมปุจชาวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่ อนุโลมปุจฉาการมราคาหนุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องเพราะว่าราคาหนุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนากามราคานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่เพราะราคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องกามราคาหนุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนาและในตภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ไม่ใช่นอนเนื่อง แล no ้วภาวะราคานุส so, no ัยก so, ็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิรูปุจฉาภาวะราคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนาภาวะราคานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกามาธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่กามราคานุใสไม่ใช่ไม่นอนเนื่องเพราะว่ราคานุสัยในที่นี้คือ ในทุกขเวทนาและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกไม่ใช่นอนเนื่องและการมราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุโลมปุจฉาการมราคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุใสในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนากาม ร, ราคานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนาแต่ในรูปธาตุอรูปธาตุไม่ใช่นอนเนื่อง แต่อวิชานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องการมาราคานุสัยในที่นี้คือในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิรมปุจฉาอวิชานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องการมาราคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่สีเจอนุโรมปุจฉา ปฏิคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาปฏิคานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกามธาตุในรูปธาตุและอรูปธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องปฏิคานุสัยในที่นี้คือในจภาวัตรามที Tell ่ไม่นับเนื่องในวัฏฏะทุกข์ไม่ใช่นอนเนื่องและ มานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโลมปุจฉามานานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนามานานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนาไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องมานานุสัยในที่นี้คือในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ไม่ใช่นอนเนื่องและปฏิคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่อง อนุรมปุจฉาปฏิการนุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุสัยและวิจิกริชนุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิตัชนาปฏิการนุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในการมาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่วิจิกริชนุสัยใใไม่ใช่ไม่นอนเนื่องปฏิการนุสัยในที่นี้คือ ในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกไม่ใช่นอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิรมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องปฏิการนุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุรมปุจฉาปฏิการนุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหม วิจัรนะปาปฏิการนุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่ภวะราคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องปฏิการนุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในการมาธาตุและในสภาปธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ไม่ใช่นอนเนื่องและภาะวะราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโดมปุจชา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 ก si ็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุโลมปุจฉาปฏิการนุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาปฏิการนุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในการมาธาตและในรูปธาตุอารูปธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่อวิชานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องปฏิการนุสัยในที่นี้คือในจภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุ ไม่ใช่นอนเนื่องและอวิจานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโดมปุชชาอวิชานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องปฏิขานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่สี่สิบแปอนุโลมปุชชามานานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฐานุสัยละวิจิกิจานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนา มานานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนาไม่ใช่นอนเนื่องแต่วิจิกิจชนุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องมานานุสัยในที่นี้คือในตาภาปธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุไม่ใช่นอนเนื่องและวิจิกิจชนุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิรมปุชาวิจิกิจชนุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ อนุโลมปุจฉามาานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องเราะวราคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาเพราะวราคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนะเพราะว่าราคานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในการมาธาตุไม่ใช่นอนเนื่อง แต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนาและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุโลมปุจชามานานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนามานานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนาไม่ใช่นอนเนื่อง <Jub ilee> แต่อวิชานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องมานานุสัยในที่นี้คือในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุข์ไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโลมปุจฉาอวิชานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่4ี่สิบเอนุโลมปุจฉาทิฏฐานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่อง วิจิตรฉานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาวิจิตรฉานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฐานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุชชาทิฐานุัยและวิจิตรฉานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุใสในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนา ใช่ปฏิโลมปุชฌาเพราะว่าราคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนะเพราะว่าราคานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสามในกามธาต์ไม่ใช่นอนเนื่องแต่วิจิกิจานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยในที่นี้คือในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์ไม่ใช่นอนเนื่องและวิจิกิจานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่อง อนุโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุใสในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่งองอวิชานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอาวิชานุใสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉาใในุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ห้าสิบอนุโลมปุจฉาเพราะว่าราคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่อง อวิชานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาเพราะว่าราคานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสามในกามาธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่อวิชานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยในที่นี้คือในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิรลมปุชชา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 การมาราคานุสัยและปฏิคาหนุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องการมราคานุสัยและปฏิคาหนุสัยในที่นี้คือในสภาปะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถทุกไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโลมปุชามานานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่อง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 อนุลมปุจฉาการมราคา n ุ t s a i และปฏิคา Nutsai ในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุสัยละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนากามราคา n ุสัยและปฏิคา n ุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องกามราคานุสัยและปฏิคา n ุสัยในที่นี้คือ ในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกไม่ใช่นอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่อง เพราะวราคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนากามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่เพราะว่าราคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นี้คือในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ไม่ใช่นอนเนื่องแต่เพราะวราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่อง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 แต่การมราคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องเพราะว่าราคาหนุสัยในที่นี้คือในตภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏจุก์ไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยและปฏิคาหนุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุโลมปุจฉากามราคาหนุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิตัชนา การมราคานุสัยและปฏิการุษไสยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่วิชานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องการมาราการุสัยและปฏิการุสัยในที่นี้คือในสภศพาธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกข์ไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโลมปุชชาอวิชานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่อง การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนะใช่ทุกกะมูลกนันจบติกะมูลกนัยห้าสิบสองอนุโลมปุชชาการมาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุษัยละ วิจิกริชนุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาวิจิกริานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุชชาการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่อง เพราว่าราคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุชชาเพราะว่าราคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาเพราะว่าราคานุสัยกามราคานุสัยและมานานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนาไม่ใช่นอนเนื่อง ปฏิกานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยและปฏิกานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกามาธาตุไม่ใช่นอนเนื่องแต่การมราคานุสัยและมานานุสัยม่ใช่ไม่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยในที่นี้คือในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสัยปฏิกานุสัยและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่อง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 จตุกะมูลกนัยห้บสาอนุโลมปุจฉากามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาวิจิกิจานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัย มานานุสัยและทิฏฐานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิศัตชนาใช่ละจะตุกกะมูลกนันใยจบปัญจกะมูลกนันาย 54. อนุโลมปุชฌากามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่อง เพราะว่าราคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาเพราะว่าราคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราค า, า, านุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาเพราะว่าราคานุสัยกามราคานุสัยและมานานุสัยในที่นี้คือ ในทุกเวทนาไม่ใช่นอนเนื um. ่องแต่ปฏิการนุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยปฏิการนุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกามมาธาไม่ใช่นอนเนื่องแต่การมราคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยมิใช่ไม่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยในที่นี้คือ ในสภาประธานที really ่ไม <ét> ่น really ับเนื่องในวัตทุกข์ไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสัยปฏิคานุสัยคานาหนุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุโลมปุจฉาการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุษัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุษัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหม วิจัติชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาอาวิชชานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยคานานุสัยทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภาวะราคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัติชนาใช่ปัญจกะมูลกนัยจบชกะมูลกนัยห้าสิบห้า